เหตุตุทูกะ11เศษขัติกะ1เศษขาบท1ปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุปัจจใจ330สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขับุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขับุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขับุคคล อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามร้อยสามสิบเอ็ดเหตุุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระ ที่ปฏิปัจิใจมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสียปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสียปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอาิเวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระ อาหารปัจจัยมี9้าวาระอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระยอ่อนณะอธิปติปัจจัย332สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขะบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยย่อสามรอณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณนะปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระ นปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระนอาศวณัปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระนอธิปติปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีหกวาระย่อเฮตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีหกวาระย่อพึงนับสหชาติวาระปัจจยวาระนิสยวาระ สังจัตถวาระและสัมบุตตวาระให้พิจาราเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งเศษขบทเจปัญหาวาระปัจยยะจตุกนัยเหตุปัจใจเป็นต้นสา4้อยสาสิสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลโดยเหตุปัจใจมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลโดยนันตระปัจจัยย่อ 335. สหเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระอันันตระปัจจัยมี9ก้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9ก้าวาระสาจตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีก้าวาระ นิสยปัจใจมีเก้าวาระอุปญนิสยปัจใจมีเก้าวาระระมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจใจมีเก้าวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจใจมีเก้าวาระชานะปัจจใจมีสามวาระมัคราปัจใจมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจใจมีเก้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัตถิปัจใจมีเก้าวาระ วิคตะปัจจัยมีเ้าวาระมาวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจน尼ยุทธาระสา้สาสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสขาบุคคลโดยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสาม้ยสาสิเจนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระ นาอารมณปัจจัยมีก้าววาระย่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออธิปฏิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจนิยะและปัจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุชลติกะที่นับไว้แล้ว2อาศัยขบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะจะตกกนัยเหตุกปัจจัาม้ยสามสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอาศขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอาศัขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระย่อสามร้อยสามสิบเก้าเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณัปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ อ, รจจระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระ สหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระระมะปัจจัยมีเ้าวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อเนอธิปติปัจจัยสาม้อยสี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอาศขับุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอาศขับุคคลเกิดขึ้นเพรานะหน้าทปฏิปัจจัยยอ่อสามร้อยสี่สิบเอ็ดหน้าทีปฏิปัจจัยมีหกวาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระหนอาเสยวณปัจจัยมีเ้าวาระหน้ิบิยุตตปัจจัยมีเ้าวาระย่อ หน้าอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระยอ่อเหตุปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระยอ่อพึงขยายสหชาติวาระปัจจ ย, ว า, ยว า, าวาระนิจยวาระสังสัทาวาระและสมยุตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจาวาระสองอาศขบทเจปัญหาวาระปัจยจตุ ก, กนยัยเหตุปัจจัยเป็นต้น สามร้สสองสภาวธรรมที่เป็นเหตซุ mm. หตซึ่งเป็นของอเาสาขับุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขับุคคลโดยเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขับุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขับุคคลโดยธิฏฐิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิฏฐิมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งเป็นของอาศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสข้บุคคลโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอาศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเสขาบุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือนันตารูปานิสยาย่อสามสี่สิบสาม เทตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตรัปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระมหารัปปัจจัยมีสามวาระ อินทริยปัจจัยมีเก้าวาระชาณปัจจัยมีสามวาะมระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุญาปัจจัยมีเก้าว า, ะาระอัติปัจจัยมีเก้าวาะระนัตติปัจจัยมีเก้าวาะวะระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจจนียุทธาระส4มสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอาศข้บุคคล เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเอาศัยข่าบุคคลโดยสหชาตะปัจจัยและอุปาณิชย์ปัจจัยยอ่อสามรสห้าณเหตุก ป, ปัจจัยมี9ก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อณอารมณะปัจจัยขเผตก ป, ปัจจัยมีสามวาระยอ่ออธิปฏิ ป, ปัจจัยคำณเหตุต ป, ปัจจัยมีสามวาระยอ่อ พึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 3. เนวเสขะนาเสขาบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนยัยเหตุปัจจัาม้ยสี่สิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขาบุคคล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคะบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเศคาบุคคลและเสคะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคาบุคคลและเสคาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคาบุคคล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามร้ยสี่สิบเจ็ดเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระรัมณปัจจัยมี9ก้าวาระอาทิติปัจจัยมี9ก้าวาระอนันตปัจจัยมีก้าวาระสมนันตปัจจัยมีก้าวาระสหาชาตปัจจัยมี9ก้าวาระ อัญญมัญญะปัจจัยมีฆ้าวาระเิสิยะปัจจัยมีฆ้าวาระภูปนิสิยะปัจจัยมีฆ้าวาระภูเรชาตปัจจัยมีฆ้าวาระอาเสวนะปัจจัยมีฆ้าวาระกามปัจจัยมีฆ้าวาระวิปากะปัจจัยมีฆ้าวาระและถึงอวิคตาปัจัยมีฆ่าวาระย่อนเหตุปัจัยและณอารมณ์ณปัจจัยเป็นต้นสามร้อยสี่ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเศคขรูปคลและเศคาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเศคาบุคคลและเศคาบุคคลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเศคาบุคคลและเศคาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเศคาบุคคลและเศคาบุคคลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและเศขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคลเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลเกิดขึ้นเพราะนักรามณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยสาม้อยสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคะบุคคลและอาศิคารุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคาบุคคลและอาศิคารุคคลเกิดขึ้นเ พ, นเพนราะเนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระยอ่อสามร้อยห้าสิบเณเหตุปัจจัยมีสองวาระเณอรัมณะปัจจัยมีสามวาระเณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระเณอนันตระปัจจัยมีสามวาระ ณสมมณันตะปัจจัยมีสาวาระณอัญญมัญญาปัจจัยมีสาวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสวาระณปุเรชาติปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระณอเซวณปัจจัยมีเ้าวาระณกรรมะปัจจัยมีสวาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระณนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารมณปัจใจเขเผตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจใจคำณเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระ ปัจยวาระนิสยวาระสังสัถาวาระและสัมยุญตวาระให้ปิสดานเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. ามเนวเสขาหนาเสขบุตร 7. ปัญหาวาร ะ, ป, ะ ป, ปัจจยะจตุกนัยเหตุตุปัจเป็นต้น3ามห้าสอสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและแอเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึงม่เป็นของเสคะบุคคลและอเ er สิะบุคคลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสิะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคาบุคคลและอเสิะบุคคลโดยอรมณ์ปัจจัยมี9้าวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสิคารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลโดยทีิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออาริมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีข้าววาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลโดยปุเรชาตะปัจจัยย่อสามยห้าจุดสอง เทตกปัจจัยมีสามวาระอรามณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ อาศัยวณัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระอหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระวิบยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระ วิคตปัจจัยมียก้าววาระ ว, ะวิคตะปัจจัยมียก้าววาระย่อปัจจนียุทธาระสายห้าสิบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขาบุคคลโดยอรมณะปัจจัยสหาชาตะปัจจัยและอุปาณิเสยาปัจจัยย่อ สามร้อยห้าสิบสี่ณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนญญาและปัจจนญญานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้ว เหตุท hey, ุกกะและเศคาติกะจบหนึ่งเหตุทุกกะสิบสองปริตติกะหนึ่งปริตตบทหนึ่งปฏิจวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย สามห้าสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อ3ามห้าสเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมี9ลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระยอ่อณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยเป็นต้น3ามห้าสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะ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 ณอธทิตติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณเอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณอาหารปัจจ hmm. ัยมีห <truths> นึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิยุญตะปัจจัยมีเก้าวาระณนัตติปัจจัยมีสามวาระณวิคตปัจจัยมีสามวาระย่อณอารมณปัจจัยกเพตุปัจจัยมีสามวาระย่อ อารามณปัจจัยคำนัเหตุปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระปัจญะวาระนิสยวาระสังสัถาวาระและสัมปยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ 1. ปริตะบท 7. ปัญหาวาระปัจญะจตุคไนเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย3ามห้าสิบเ้า สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะโดยอารมณปัจจัยย่อสามเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระ มันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอุปนิสยาปจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจจาชาตะปัจจัยมีสามวาระเอเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระอหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระ ชาณะป oh, oh, um ัจจัยม well ีสามวาระมรรคปัจจัยมี9 um ้าวาระสำยุตตปัจจัยมี9้าวาระวิบิยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระย่อปัจนายุทธาระส้หสิเอดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะ โดยอารามณปัจจัยชาชาตปัตจจัยและอุปนิสยปัจจัยย่อสามรหสองณเหตุปัจจัยมีกล่าววาระนอารามณปัจจัยมีกล่าวาระย่อนณะอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีกล่าวาระย่ อ, นะ อ, าา อ, ยอพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจเนยะอนุโลมปัจจเนยะ และปัจญญายาณุลมแห่งปัญหาวาระในขุสละิกะที่นับไว้แล้วสองมหาคตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจญญะจตุกนัยเหตุปัจจัยสามรอยหกสิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตเกิดขึ้เนเพระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหคัตะตอรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหคัตะตออาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหคัตะตอรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจใจมีสามวาระย่อสามอหสิบสเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจใจมีห้าวาระ สัมมณันตระปัจจัยมีฆ่าวาระสหชาตะปัจจัยมีฆ่าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีฆ่าวาระนิสยปัจจัยมีฆ่าวาระอุปนิสยปัจจัยมีฆ่าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีฆ่าวาระอาเสวนาปัจจัยมีฆ่าวาระรามปัจจัยมีฆ่าวาระวิปากะปัจจัยมีฆ่าวาระมหาราปัจจัยมีฆ่าวาระละถึง อริยคตาปัจจัยมีกลาววาระยอ่อณอธิปติปัจใจสารอยหกสิห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยย่อสามรอหกสิบหกณอธิปฏิปัจจัยมีกลาวาระณบ <36 6 S 1> ุเรชาตาปัจจัยมีกลาวาระณปัจฉาชาตาปัจจัยมีกลาวาระ นอาสวณัติปัจใจมีห้าวาระนกรรมะปัจจใจมีสามวาระนวิปากะปัจจใจมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจใจมีห้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจใจมีห้าวาระย่อเหตุปัจจัยกับนาทิปติปัจจใจมีห้าวาระย่อพึงขยายสัชาตวาระปัจญะวาระมิจฉะวาระสัสจัาวาระ และสัมยุญตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสองมหาคตบทเจปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสามหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตโดยเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหัศจรโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหัศจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหัศจรโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหัศจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหัศจรโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือขณะชาตาที่ปฏิมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือขนาชาตาธิปฏิมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะโดยอนันตระปัจจัยย่อ368เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระ อุปาินสยปัจจ so so ัยมีเ้าวาระอาเสวะนปัจจัยมีเ้าวาระธรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทริยะปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอภิตปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ ยอ่อปจณิยุทธาระ369สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหาคตะโดยอา ร, รมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยยอ่อสามเจ็สนเหตุปัจจัยมีกลาวาระนะอารมณปัจจัยมีกลาววาระยอ่อ นอารรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อธรรมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในกุสลติกะที่นับไว้แล้วสามอปมาณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจญยะจตุกไนเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภปมาณะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมาณะ เกิดขึ้นเพราเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อสาม้เสสองเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอธิ ป, ธปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอุปนิสัยปัจจัยมีเ้าวาระและถึงกรรมปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระย่อ หน้าอธิปติปัจจัยเจ็สสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภปมานะเกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยย่อสามอนอธิปติปัจจัยมีหกวาระหน้บุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระหนอเสวณะปัจจัยมีเ้าวาระนักธรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนวีปิยุตตะปัจจัยมีห้าวาระย่อน้าอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุปัจจัยกับน้าอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยาวาระนิสยวาระสังจัตถาวาระและสัมบยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจัวาระ 3. อปมาณนะบทเจปัญหาวาระปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจัยเป็นต้นส7 5เจ็สห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอปปามนะเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอปปามนะโดยเหตุปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอปปามนะเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอปปามนะโดยอรมณปัจัยมีสามวาระ สามเจ็ดสสภาวธรรมที ja. ่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมนะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมานะโดยทิตติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภปมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมานะโดยทิตติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาทิปติมีสามวาระ สามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภมานะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภมานะโดยอนันตรัปัจจัยมีกลาววาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภมานะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและปัจกรตูปานิสยามีกล่าวาระย่อสาม้อยเ็ดสิด เทตุปัจจัยมีสามวาระอรามะณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปญนิสยปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภปมาณะโดยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสัยปัจจัยย่อสามร้อยแปสิบณเหตุปใจใัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยม sure ีห <faded> <inaudible> ้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงนับเหมือนอนุโลมปัจจิยะอนุโลมปัจจิยะและปัจจิญานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้วเฮตุทุกะและปริตตติกะจบ